บัตรนี้ท่านหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐานแล้วก <c oughs> ารสม า, า, ามทานพระกรรมฐานที่ว่ากันอยู่ทุกวันขอได้โปรดจงอย่าถือว่าว่าตามประเพณีคำว่าอิมาหังพระกว่าตปาวังตุมหากังปริจฉามิ <c oughs> ซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคำนี้ว่าแล้วต้องคิดไว้เสมอทุกลมหายใจเขาออกและ่อเขาถวายกันยังไงชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็มานั่งนึกดูว่าชีวิตของเราที่พระพุทธเจ้าให้ไว้มีอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> ที่ให้ไว้เป็นพื้นฐานทั่วๆไปก็หนึ่งสัพปปาปัสสากะนังที่แปลเป็นเจความไวเจ้าทงหลายอย่าทำความชั่วทั้งหมดสองกุศล ส, สุปสมมทา จงสร้างแต่ความดีสามปจิตตประโยธปัณณังจงทาใจของเราให้แจ่มใสจากกิเลสเอตังพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าสมเว่าพระพุทธเจ้าทุกองสอนอย่างนี้ไมืกันหมด <c oughs> เป็นอนวุวาชีวิตของเราที่ยอมมอบถวายได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาถวายกันแบบนี้ขึ้นหนึ่งเราตั้งใจไม่ทำความชั่วทั้งหมดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคดกล่าวไว้ว่าอย่างไรเป็นความชั่วนั่นเราไม่ทำสองสร้างความดีความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้แก่ศีลสมาธิปัญญา ถ้าจิตตะปิโยทะปันนังทำจิตใจให้ผ่องใสจากกิเลสสามประการที่เป็นรากเหงา้าของกิเลสคือโลภะหรือวรรา่าราคะโทสะโมหะทั้งสามอ ย, ย่างย้า้มีในจิตใจของเรา ถ้าสิ่งหลายตามที่กล่าวมาหมดนี้ไม่มีในจิตใจของเรานั่ น, สนแสดงว่าเรามอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ดูตัวอย่างท่านสรทน า, าบทหรือว่าบรรดาชนดินทั้งหลายเหล่านั้นความจริงท่านยังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้า ท่านยังไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกถ้าท่านทราบท่านก็จะต้องไปสํานักของพระพุทธเจ้าแน่เพื่อตั้งใจะจะบวชเพื่อแสวงหาโมกตธรรม <c oughs> แล้วว่าท่านทัหลายนั้นยังไม่พบพระพุทธเจ้าแสวงหาได้ตนเองสามารถธรรมวิญญาณห้าและสมาบัตแปดให้เกิดขึ้น เวลานี้ท่านฟังเรื่องนั้นมาแล้วท่านก็ต้องคิดเนี่ยครับเพราะว่าปากรากะคําสอนเป็นการสอนกันเล็กๆในน้อยตามอารมณ์เอาบุคคลตัวอย่างขึ้นมาว่ามาแนะนํากันมาเล่าสู่กันฟังแในเราก็ต้องนําเอาเนื้อแท้แห่งความดีของมรดาท่านาหลายเหล่านั้นมาพูดกันอีกตอนหนึ่ง ถ้าจะเห็นว่าระยะนี้ผมใช้แบบนั้นพระบุคคลตัวอย่างมีอยู่แล้วการสแสวงหาที่สงดัดถ้าจิตใจของเราไม่สงดัดอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สงดัดถ้าหากว่าจิตใจของเราสงดัดจะอยู่ในป่าก็สงดัดอยู่ในถ้ำก็สงดัด <c oughs> อยู่ในบ้านก็สงดัดอยู่กลางตลาดมันก็สงดัด เขาจสงัตอะไรเพราะาจิตของเราไม่มีกังวลสัง่งัตตอนนี้สัง่งัตตอนไม่มีกังวลถ้าเราไม่ไม่มีกังวลแล้วระยะต้นที่เราจะพึงเราจะพึงได้นั่นก็คือสมาธิเนื้อว่าระยะต้นสุดที่เราจะพึงได้ก็คือศีลถ้าเราไม่มีกังวลในด้านของความชั่ว เราก็สา ม, มารถตัดโลภะคือความชั่วได้คาว่ากังวลอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอยากจะรวย <c oughs> อยากจะมีทรัพย์สินให้มันมากอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยากจะสะสมทรัพย์ให้มันมากเท่าที่จะมึงมากได้นี่เส้นแรงว่าจิตมีกังวลจิตไม่สงัด ถ้าจิตเราอยู่ในป่าลึกที่ไหนก็ตามมีอารมณ์อย่างนี้มันก็ไม่มีทางสงัดจากกิเลส <c oughs> แต่หากว่าอารมณ์ของเราสงัดสงัดยังไงความรวยนี่คนทุกคนอยากจะรวยความจริงความรวยเป็นของดีผมไม่ปฏิเสธ รวยทรัพ์รวยสินถ้าเป็นครวูวาสจำเป็นจะต้องสะสมทรัพย์สินเข้าไว้เพราะว่าถ้าไม่สะสมทรัพย์สินข้าไว้จะกินอะไรเพราะต้องเลี้ยงตัวการมีทรัพย์สินมากรวยทรัพย์ที่เขาไม่เมาในทรัพย์ก็มีดูตัวอย่างนามิสาขามหาอุบาสิกา และท่านานาเิวินิกาเศรษฐีรวยมหาศาล <c oughs> แต่ว่าบำเพ็ญกุศลในองค์สมเด็จพระิชิตมานบริมศาสนายางไม่จำกัดเขตนี่เห็นไหมคนเขารวยแต่ว่าเขาตัดความโลภจะได้รวยแต่ไม่โลภน่าสงสัยนะครับ ทำมาโลภในหมายความว่าแต่เกียรติกายมีเท่านี้แล้วก็อยากจะมีเท่านนนแล้วก็อยากจะมีต่อไปแต่การเสียสละใดๆไม่มีดูตัวอย่างท่านอนาอท่านนอานันเสฐี <c oughs> รวยแล้วไม่อยากจะจ่ายให้ใครทั้งหมดอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมสุขคขทิว่าเป็นคนโลภ แต่ถ้ารวยได้สัมมาชีวะตะมีความคิดอยู่ว่าเราต้องทําตามหน้าที่ของมนุษย์ที่หนึ่งจะต้องเลี้ยงตัวสองเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขตามหน้าที่เราก็หาเงินหาทองมาแต่จิตใจของเรานี้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าทรัพย์สินที่พึงมีมาแล้วนี่ทั้งหมดหลายคนมาแล้วที่ก็รวยยิ่งกว่าเรา ในเวลาที่เขาตายไปไม่มีใครนําทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นไปได้เลยก็เป็นอันว่ารวยพอแล้วรวยมากไม่มีใครนําทรัพย์นําสินไปได้นี่เราทํำยังไงแล้วก็ถือว่าทรัพย์สินทั้งหลายหามาตามหน้าที่มันจะต้องกินมันจะต้องใช้มันจะต้องอาศัย แต่คิดไว้เสมอว่าถ้าเรารวยในชาตินี้ก็เพราะอาศัยความดีคือทางการกุศลในชาติก่อนเวลานี้เราพบศาสนาขระองค์สมเด็จพระจินวรเราจะนำทรัพย์สินนี้ให้มีประโยชน์ทั้งในชาติปัจจุบันและสัมภารยาภพคำว่าสัมรารยาภพคือชาติต่อไป <c oughs> แต่ในชาติหน้า เราถ้ายัางไงหากินหาใช้แบ่งกินแบ่งใช้ไว้ตามสมควรล้วก็บริจาคทรัพย์นั้นให้เป็นประโยชน์กับสาธารณประโยชน์จะได้ไหวพระหรือให้คุณญาติจนเข็นใจก็ทำได้นี่การให้แบบนี้มีประโยชน์ทั้งชาตินี้และชาติห น, น้ารวยมีกินมีใช้ ม, ม, ชมีความสุขตามสมควร แต่มันกันแก่กันป่วยกันตายไม่ได้ถ้ารวยเฉยเฉยไม่ให้ใครเราก็จะเป็นคนโดดเดี่ยวเป็นคนไม่มีเพื่อนมันก็มีอันตรายถ้าเรารู้จักใจ่ายจ่ายเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ผู้รับย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของบุคคล ผ, ผ, ผู้รับขอพระอภัยผู้ให้ผู้รับย่อมรักผู้ให้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้รับ เมื่อเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขมากนี่ประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในสัมภรายภพบจิตใจของเรานั้นเมื่อให้ไปเมื่อไหร่กิเลสเคโลพะมันก็ทำลายสิ้นไปจากใจมานั้นให้มากกิเลสหมดมากให้น้อยกิเลสหมดน้อยให้บ่อยๆกิเลสหมดเสมอ แต่ว่าคำว่าให้มากในที่นี้อย่าให้เพื่อเป็นการเบียดเบียนตัวเองต้องแบ่งสันปันส่วนกันไว้เสมอให้มีพอกินพอใช้ให้ไปแล้วไม่ลำบากสำหรับเรานี่ชีอว่าให้มากและก็ควรให้บ่อยๆจิตใจมันจะได้ชิน เมื่อให้บ่อยๆใจมันชินอารมณ์ที่จะโลภยื้อแย่างทรัพย์สินขอาบอกคนอื่นมันก็ไม่มีมีแต่คิดอย่างเดียวว่าจะให้เมื่อคิดจะให้อย่างนี้แล้วกาลังใจมันก็เป็นสุขอาการดิ้นรนที่อยากจะยื้อแย่งทรัพย์สินแล้เมาในทรัพย์สินมันก็ไม่มีจิตสบายชาตินี้จิตก็เป็นสุข ในชาตินี้มีคนที่รักมากเราก็เป็นสุขก็มีภัยน้อยตายจากชาตินี้ไปแล้วอย่างเลยเราก็เป็นเทวดาได้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็เป็นคนรวยหรือไมิฉะนั้นถ้ารมจิตโรภความโลภที่มันจะสร้างความซวยให้กก่จิตมันหมดไปที่ว่าเราตัดรากเข้ามันได้ก็เป็นก้าวหนึ่งที่เดี๋ยวก้าวไปสู่ความเข้าสู่พระนิพพาน มีจิตใจอย่างนี้เขาบรรดาทุกท่านจงส่งไว้ให้ดีโดยการดีสององสมเด็จประมหาหมุูลมีกล่าวว่าจงทำลายความโกรธให้สิ้นไปนี่เป็นรากเงาอีกรากหนึ่งการทำลายความโกรธเขาทำกันยังไงตอนนี้ล้วก็เล่นสมาธิทรงตัวสาหรับการให้ทานเป็นสมาธิอารมณ์ทรง ทรงอารมณ์แบบปกติคิดไว้ให้อยู่อาใจชอบให้จิตคิดไว้มาถึงเวลาให้ก็ให้เดียวว่าคิดไว้ให้อยู่เป็นปกติ <c oughs> อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงชาในจาคาโนสติกรรมฐานแล้วก็ยิ่งคิดว่าทรัพย์สินนั่งหลายเหล่านี้เราตายแล้วนำไปไม่ได้ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง คิดอย่างท่านสะระทาดาบทกําหนดใจไว้เส ม, มอว่าเราตายแน่เมื่อตายระแบกอะไรไปได้ดูตัวอย่างท่านสะระทาดาบท่ทานมีทรัพย์มหาศารท่านทราบว่าเราจะรู้อัตภาพแต่เพียงชาตินี้เท่านั้นสําหรับชาติหนา้าอัตภาพคือร่างกายของเราจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ยังได้ตัดสินใจสละทรัพบพินทั้งหมดออกบท บวชก็ไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนาตัดใจเป็นในคขมะโดยเฉพาะต่อไปก็ทรงสมาบัตแปดแล้วทรงปัญญาให้ได้ตัวนี้เป็นตัวสําคัญเมื่อทรงสมาบัตแปดได้ทรงปัญญาสมาบัตได้สมาบัตท่าอธิญญานะ มันก็ระงรับความโลภระงรับความโกรธระงรับความหลงจิตมีอารมณ์ผ่องใสเหมือนกับแก้วที่ใสตรงนี้เขาทำกันยังไงวิธีที่จะทำสมาบัดแปดให้เกิดขึ้นในความจริงทำง่ายทำไม่อยากเราก็จับกระสินอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราชอบ หรือว่าจะจับรูปพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติบวกกัสิ่งเขาได้จับรูปพระพุทธเ จ, จ้าจำรูปพระพุทธเจ้าพระพุทจำพระพุทธรูปให้ได้แล้วก็หลับตาลงไปนึกถึงรูปพระพุทธรูป จ, จะเดินไปไหนจะไปไปในบาตรจะทำงานทำการไปแต่ไหนนึกถึงภาพพระพุทธรูปตลอดเวลา จนกรทั่งภาพพระพุทธรูปกรปรากกฏในอารมณ์นึกของเรานึกเห็นอยู่เรื่อยตลอดอย่างนี้เชื่อว่าเป็นผู้ทรงฌาน <c oughs> ในเมื่อทรงฌานในภาพพระพุทธรูปได้มีอารมณ์ทรงตัวกำหนดเวลาสัก5้านาทีหรือสินาทีให้ทรงอยู่ท่านานยิ่งกว่านี้ได้ก็ย่งดีความจริงท่านานไม่ได้ก็เอาเวลาสัก5้านาทีเห็นภาพพระพุทธรูป ตอนนี้แต่ความจริงจะเล่นอภิญญาด้านทิศโยคุยานก็ง่ายทอนนี้ผมพูดเรื่องสมาบัตแปดสมาบัตแปดเมื่อเราทรงอารมณ์ภาพรราพระพุทธรูปได้แล้วจิตมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อจิตมั่นคงยิ่งขึ้นภาพพระพุทธรูปที่เรานึกเห็นก็จะค่อยๆใสขึ้นมาทุกทีทุกที ใสจนทั้งเราก็คิดว่าเอ๊นึกขึ้นมาอะไรเหมือนภาพพระลอยอยู่ข้างหน้าโดยเฉพาะมันมีรูปรปรากฏแจ่มใสปรากฏชัดตามอารมณ์ที่นึกนึกขึ้นมาอะไราภาพพระใสทรงตัวและจิตเราจะทรงนานแสนนานยังไงก็ได้ใจสบายมีอารมณ์เป็นสุข จนกระท่นานขณะที่นึกเห็นภาพพระพุทธรูปนั้นมีเห็นอารมณ์ใสใจก็ปรากฏว่ามีอารมณ์สงัดลมให้ใจปรากฏไม่ปรากฏแต่ตนนี่เป็นอารมณ์ของฌานสี่เมื่อทรงภาพพระพุทธรูปทั้งฌานสี่ได้แล้วแล้วก็ทรงให้ชินทรงให้ชินต่อแต่นั่นไปก็คิดว่าขอภาพพระพุทธรูปนี้จะหายไปตอนนี้เล่น อหพิญญาแปดแล้วให้เขาโทษสมาบัดแปดให้ภาพพระรูปนี้จงหายไปนึกถึงภาพของอากาศภาพของอากาศก็จะปรากฏคิดว่าอากาศนี้เวิ้งว้างว่างเปล่าหาที่สุดไม่ได้ฉันใดชีวิตของเราก็ฉันนั้นเรามีร่างกายอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่ามันอาศัยการติดรูปเป็นสำคัญ ทุกทั้งหลายที่ปรากฏกับเรามีความหนาวความร้อนความหิวความกระหายความป่วยไข้ไม่สบายความแก่ความกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจและความตายความทุกขเวทนาจะพึงมีก็เพราะสายเราติดรูปดันั้นรูปเราไม่ต้องการเราต้องการสภาพของสภาวะจิตให้มันว่างมันก็อากาศ ไม่ต้องการอะไรทั้งหมดขึ้นชีอว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและขันร่างกายที่ประกอบไปได้ทั้งด้วยทาศสี่ต่อไปนี้จะไม่มีสำหรับเราอารมณ์ก็จับภาพอากาศที่เบื้องว่างว่างเปล่าว่าหาที่สุดไม่ได้ไอ้รูปกายก็คิดว่ารูปกายของเราอย่างนี้ก็ไม่กัน ถ้าเรายังต้องการในมันมันก็เกิดอย่างนี้ทุกอย่างนี้หาที่สุดไม่ได้แต่ความจริงมันเรียกเพียงกับไปหาวิปัสนาญาณจนกระทั่งมีใจเบิกบานมีรมทรงอยู่ในฌานสี่เห็นสภาพนึกถึงภาพเมื่อไรเห็นนึกถึงคนนึกถึงกายนึกถึงเรานึกถึงเขานึกถึงวัตถุบ้านเรือน จริงก็ทราบได้หมดเห็นว่าในโลกนี้นี่มันไม่มีอะไรมันมีสภาพว่างไม่ช้ามันก็พังเราไม่ต้องการมันอีกผมว่านี่ผมพูดมันควบวิปัสสนานะครับถ้าใจคิดจริงๆอย่างนี้แล้วก็แทนที่จะเป็นสมาบา 8, ัติแปลเฉยๆยันดันเป็นอราหารันต์เข้าไปด้วยเอา้าเป็นก็เป็นไปเมื่อพูดอย่างเดียวมันจะไปดีอะไรเนาะ สมาธากวิปบรรนาควบกันมาต้องควบกันแต่ทำอย่างเดียวก็โง่เต็มทีจะยอมเสียเปรียบคนเวลานี้เราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระจินทร์สีเรายอมยัเวลานาทีทองเขาเราเลื่อนลอยไปไม่ได้เมื่อจิตใจไม่ติดในภาพติดใจนาอากาศแล้วภาพภานกายกขมาเทียบกับกายว่าไม่ช้ากายของคนเราสัตว์มันก็ตาย มันก็มีสภาพว่างกราบน่ากลัดและเมื่อจิตทรงตัวนึกถึงขึ้นมาเวลาจิตว่างสบายมีอาการโล่งไม่ผูกพันในร่างกายจิตใจเป็นสุขทรงฌานสี่ได้เป็นปกติอย่างนี้เรียกว่าได้อากาศสานันจา ย, ยตนะเป็นอรูปฌานที่หนึ่ง คามจริงแนละจับภาพพระพุทธรูปมาิึงฌานสี่เรียกสมมาบัตสีในในรูปประชานแล้วก็หาสมมาบัตสีในรูปประชานและกากาสั น, นัญยาต น, นะถ้ามีอารมณ์คลอนี้แล้วเราก็ไปจับวิญญาณความรู้สึกไว้ความรู้สึกนะึกคิดที่เกาะกับ ข, ขันหานี่มันเป็นโทษเป็นทุกข์เราไม่เอาความรู้สึกความคิดความอ่านแบบนี้มันไม่มีอะไรดี มันสร้างแต่วความเร่าร้อนอยู่เสมอถ้านึกดีมันก็เป็นสุขนึกไม่ดีมันก็เป็นทุกข์อาการนึกดีที่เราเห็นว่าเป็นสุขนี่มันไม่สุขจริงๆนึกรักหญิงสักคนรักชายสักคนพอเรานึกรักขึ้นมารมมันเริ่มเป็นสุขแต่ทันทีทันใดมันก็เริ่มเป็นทุกข์คิดว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าน้ะ no? ทายังไงเขาจึงจะรักเราเอาเข้ามาแล้ว ที่มันทุกข์แล้วเกิดอารมณ์ทุกข์พอเกิดมีอารมณ์รักกันขึ้นมาแล้วมาเริ่มระแวงสงสัยว่าคนรักของเราเนี่ยเขาจะรักเราจริงหรือไม่จริงเอาล่ะสมมติว่ารักจริงรักจริงต่างคนต่างเริ่มเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทกเกรงว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันบินดามารดาเขายาห้ามหันให้แยกแต่แยกคือไม่ยกยอปอบปันให้เอาเราะโยชน์แล้ว พอก็ให้กันมาแล้วมาอยู่ร่วมกันก็เริ่มทุกต่อไปในการทามาหากินความเป็นอยู่เต้าประคับประคลองใจเส่งกันได้กันในที่สุดจะมีลูกมีเต้ามันก็เปิดกันไหลกระเดิดเปิดเปิดมีทุกข์หาที่สุดมีได้เป็นอันว่าความรู้สึกนะึกคิดนี่มันเป็นทุกข์ เราไม่ต้องการมีความรู้สึกในคิตความรู้สึกอย่นีคิดจะมีนมาได้ก็เพราะอาศัยจิตเอเกาะกายเป็นเรานับแต่ตบัดนี้ต่อไปเราไม่ต้องการจะเกาะกายต่อไปและไม่ต้องการความรู้สึกในคิดอย่างนี้ทำอารมณ์ให้เป็นอุเบกขาลมแอารมณ์จิตเข้าถึงฌานสี่นี่มันก็เป็นของง่ายมันไม่ใช่ยากในที่สุดจิตก็ปล่อย สภาวะอากาศจับสภาวะวิญญาณพ ว, วิญญาณัญญาญตนาชาญวิญญาณคือสภาพที่ล่องลอยแบบนี้ไม่มีที่สุดเราไม่ต้องการมันอีกไอตัวนึกนี่มันเป็นทุกข์คุณอย่าลืมนะถ้าเล่นแบบนี้ไปอรหันนะผมบวกทั้งสมณฐานิปรณาผมพูดเดียเด่ยวๆไม่เป็นอนเะถึงพูดเป็นผมก็ไม่พูด เดี๋ยวต้องทํางานมันอย่างเดียวมานคนยัยขั้วคนได้ไปทํางานสองคราวเพื่อประโยชน์อะไรพอเล่นวิญญาณวิญญาณยต น, นาชาญสมายสบายมีลมจิตเป็นสุขนึ่ขึมม้นมาเมื่อไรวิญญาณไม่เป็นเรื่อง<ม>การมีขันห้าไม่เป็นเรื่อง<ม>เปลืองความเปลืองความเป็นอยู่สูญปฏิบัติตามแนวห้องสมเด็จพระบรมโคไม่มีขันห้าดีกว่าไม่มีขันห้าวิญญาณมันก็ไม่มี ถ้ามีขันห้ามันก็มีวิญญาณออนะ่าลืมนาตัวนี้ปารมพระรหันต่อไปเมื่อเ้วิญญาณเพลินๆพี่จิตเป็นสุขอารมณ์มันจำใสยากกินดีกว่าอากาสันจยัตนาะต่อไปก็ไม่คิดอีกทีหนึ่งปัดกวาดมันหมดไอโลกนี้หากินหากินจัญญายตนาะมันไม่มีอะไรเหลือ โลกนี้มีอะไรทรงตัวแน่นอนบ้างที่เกิดตั้งมาแล้วเกิดมาแล้วมันไม่เสือ่อมมันไม่พังมีไหมไม่มีต้นไม้ใหญ่ๆก็ล้มตึกใหญ่ๆก็พังเราสมัยก่อนเขาสร้างอาคารบ้านเรือนด้วยหิาแรงมันก็พัง ไม่มีอะไรเหลือคนที่มีประวัติมีความสำคัญแน่เดีดแตการหาตัวหาตนไม่ได้ชื่อเสียงที่ลืมไปแล้วมากกว่าจำได้หลายแสนเท่าในบ้านเรือนที่ก็บอกว่าใหญ่โตมโหราณสมัยใดสมัยหนึ่งเวลานี้เดินไปก็ไม่มีเป็นนอาชีวิตตินซีของคนทั้งหมดมันก็สลายหมดมันเป็นอันว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือ ไม่เมื่อมันไม่มีอะไรเหลือเราจะเกาะอะไระก็ออ ร, กร่างกายร่างกายมันก็พังก็ะคนรักคนรักก็พังก็ทรัพย์สินทรัพย์สินก็พัง ก, เ ก, ยดยดก็เกียรติยศศักดิ์ศรีเกียรติยศศักดิ์ศรีก็พังก็ อ, อะไรไม่เกาะเลยไม่ต้องการอะไรมันเลยในโลกนี้ร่างกายเราร่างกายเขาวัตถุธาตุหมดโยนทิ้งไปจากใจ ต้องการอย่างเดียวใจว่างสบายไม่มีทีทย่ยทรงได้อย่างนี้ใงวันลอกิน ย, ยัญาเจตนะตอนนี้ได้กิน ย, ยัญญายจตนะแล้วเราก็มาตั้งต้นทำตนเป็นต้นไม้ทำตนเป็นตอไม้จุดสาคัญในเมื่อเราไม่สงการไมไรร่ไม่ต้องการาร่างกายไม่ต้องการอารมณ์ไม่ต้องการความรู้สึกนึกคิดไม่ต้องการอะไรทั้งหมด เราก็มากําหนดจิตให้ทรงอยู่ตัวอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายาตนะทําความรู้สึกแบบบีคนใกล้คําว่าสัญญาเนี่ยแล้วความจําเมื่อมีความจําได้นั้นเพื่อนนั้นพี่นี่น้องนี่พ่อนี่แม่เนวัตถุนี่ทรัพย์สินของกูเนี่ยพี่น้องของกูบ้านของกูโรงกูโยนทิ้งไปหมด มีสัญญาคือมีความจําทํามันเมื่อคนไม่มีความจําจำอะไรจําร่างกายจําสุขจําทุกข์จำไม่เอาทั้งนะั้นนายจะมายังไงนายจะไปยังไงก็ช่างนายแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนใจร้ายไม่พูดกับใครนะคือมีอารมณ์ไม่ติดไม่ติดว่าอะไรเป็นเราเป็นข้อเราทั้งหมดร่างกายของเราก็ไม่เอาร่างกายคนอื่นก็ไม่เอาว่าทูต่าต่างๆก็ไม่เอา เป็นอันว่าทำใจมีอารมณ์ว่างทุกอย่างความหนาวจะมายังไงก็ฉั่งมันร้อนจะมายังไงก็ฉั่งมันมันจะป่วยไข้ไม่สมบายก็ฉั่งมันรักษาหายก็หายไม่หายตายแลกก็ฉั่งมันไม่มีความสำคัญตายเมื่อไรมีความสุขเมื่อนั้นไม่รบไม่กวนใครทั้งหมดจิตถ้ากําหนดอยู่อย่างนี้บรรดาธนาหลายเรียกว่าได้บรรณสัญญาณาสัญ ญ, ญายตนะ เป็นผู้โซนสมาบัติแปดอภิญญาก็ไม่ต้องพูดกันเวลามันหมดแล้วแต่ว่าอภิญญาบัติแปดที่ท่านสัธทะดาบทท่านทําท่านก็ทําเฉพาะจุดแต่ว่าท่านหลายทำตามผมพูดไม่ใช่สมาบัติแปดธรรมดายลายเป็นอรหันตปฏิสัมพิทายานไปเอากันอย่างนี้ดีกว่าเพรนั้นว่าสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเส็จแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อที่นี่ไป ขอท่านดังหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกําหนดอิริยาบทตามอัติยาสใยของท่านจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ตามอัติยาสใยจนกว่าท่านดังหลายจะเห็นว่าเวลานั้นสงคนที่ท่านยัเลิกสวัดี